คือวันนี้นะอันดับแรกหลวงพ่อจะกล่าวอะไรตอนรับพี่น้องศรัทธาญาติโยมลูกหลานก่อนในเมื่อกล่าวอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อก็จะอนุโมทนาให้พรพร้อมกับพระสงฆ์เมื่ออนุโมทนาเสร็จเรียบร้อยแล้วคณะศรัทธาญาติโยมลงทานอาหารข้างล่างนะ เ, เราจะจัดอาหารข้างล่างมีอะไรก็ ทานตามนั้นแหละ เ, เพราะว่าอาหารวัดเราเนี่ยเป็นอาหารสวรรค์ไกลไกลหลวงพ่อบอกอย่างนั้นนะไกลไกล ย, ยังไงพวกเราทําบุญอันไหนก็ได้รับอันนั้นเหมือนกันเถอะเยินไหมพวกเราทําบุญยังไงก็ได้รับอันนั้นเหมือนกับสวรรค์ น, นั่น เ, เวลาสวรรค์ะถ้าเราบริจากรถเป็นรถเก๋งนะไปสู่สวรรค์กับรถเป็นรถเกง๋งคอยรับเราอันนี้พวกเรามาทําบุญอ ยังไงก็นั่นะหลอต้องได้รับผลบุญผลกุศลอผมนั้นขอให้พวกเราเมื่อลงทานอาหารเนี่ยจะเป็นตำหนิหลวงพ่อบุได้เนี่เพาหลวงพ่อเนี่ยมาวัดหลวงพ่ออินบวได้กินอาหารตีเท่าว่าบุได้แล้วพวกเข้าบวถวายอาหารดีก็บบได้เนี่ยลงลูกปูสิงท่องหนึ่ลงลูกปูสิงท่องหลกทิศลงตามหาบัวเนี่ยพ่อขึ้นไปอยู่บันหอยทรายสมัยนั้น บันนอกเลยบันหัวใจบันลงปูจามเดี๋ยวนี้แหละพวกบุคลากรคงจะเห็นอั น, นะัวัดสมัยก่อนลงปูสิงห่องไปไหนะไปบินทบาน ล, ลงปูสิงห่องกับฉันจังหันพอฉันจังหันเอ้าเอ า, เอาหารมาเลี้ยงไปขึน้นกันกับเลี้ยงญาติโยมนี่แหละพ่อเลี้ยงนะพูดในหัวมีผักแล้วผมมีแจ้วกว่านี่เห็ดหยืดข้อหาแจ้วไปลกเล็โลกเล็ลกอยู่ลงปูสิงห้องก็ตามเลี้ยวหายังนั่นเลี้ยวหาแจ้วครับลงพอ่อฉันวะ ตวเองบู้ดท่านไมจะได้กินอย่างไรอาจาพว่าตัวเองท่านจะเขาเหนียวอาจจะไปหาเลียวหาแจวจะได้กินอย่างไรวัดมันสวรรค์ไกลๆได้อาจารย์พลว่าผู้ใดทำบุญอันใดได้ได้รับอนันต่ออาจารย์พลว่าหลวงปู่สิงห์ทองเพิ่นบอกให้หลวงพ่อหลวงพ่อยังจาบรืมอยู่เ้หลวงพ่อเป็นแนนน่อยว่เราไปเออแมนอิริโต้เนี่อวัดนี่คือสวรรค์ไกลๆวันนั้ไป การผู้ใดทำบุญอะไใดก็ไ ด, ได้ได้อันนต์หมดไปอย่างนั้นยังโกเลี้ยงไงโกเลี้ยงพ่อตายไปแล้วเป็นบมดนะ่ะว่าใดทำบุญทำท่านเนียพ่อตายไปแล้วบ้านนี้ไปหอดบ่งจิกขื่นชาล่าชาลาไอ้ชาลาตัดสาินเนี่ยชาลาพันหองนะ่บานนี้เขาก็เลยปล่อยพันนวนไปไปโกเลี้ยงไปคบข่าสมา ค, มคบกูไปถ้าได้ยินเสียงย่อมคอยขึ้นชาลาพันหองเนีอาจาเนีเขาจูปกาดรกอาจารย์นี่ย ค่อยๆไปกลัวเลี้ยงนี่ก็บข้อ เ, เ, เ ข, า, เขาปล่อยตัวเองเลยกันยางโตเตะไปแล้วมันไปกลัวเลี้ยงมุข่่นปากน้ำโพได้ขอนน่ค้อนสวรรค์เป็นลูกชิดหลงเจ้าขุอนอุบาลีคโนอปมาจาร์มันไปแต่เราผู้เมียแต่ทำบุญบัตรนนผู้ขัวมันไ่ได้ใส่ใจะนะเท่นไหร่ไอมีแต่เลี้ยงหมูกับไอ้รับการก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างาเพราะมันเป็นคนจีนมาจากประเทศจีนเลยว่า น, นี่รกั พ่อเขาปล่อยปเนี่ยตายแบบกระทันหันนะเมื่อนั้นพ่อไปทํางานมากเลยเมย์พ่อเมือย์คือมาไปอาบน้ำพ่อไปอาบน้ำมาเนี่ยซอกข้าหองน้มามันไปผู้เมียเห็นให้ตายเลยส ง, งาบโยนออกไปเอิ่นมาเทศบานมากเกินเอิ่นมากเกิจับโกเลี้ยงมานอนโกเลี้ยงกับพ่อออกยังกับไปแล้วจันพนว่ามีทหารสองคนมาจับขี่ตะแระสองขางพ่อจับไปแล้วก็ เห็นไอ้หมอเน่ะหมอเช่าบ้านเนี่อคือพวกไดนเป็นเจ็บไข้ป่วยนะไรเกิเขาก็ไปบอกหมอชาวบ้านนลยมันไปสมัยนั้นมันมีพวกหมอประจำหมู่บ้านเนยเขาก็ไปบอกเน่ยบอกว่ากู้เลี้ยงเป็นลมมาสั่นไปได้หมอหมอมาสั่นหมอนด้ก็ได้ถุงยาอะไรก็ทั้งแรนทั้งยางทั้งแรนทั้งยางหมดไปเออบาดห้ากูเลี้ยงเนี wired, ่ก็ยางพานหมอในเราไป มันทหารจับขีดตะแลงทั้งสองขางเนี่ยจับวิดยานบมอหมินจับกูเลียงกูเลียงเนี่เป็นลมอยู hey, Bien, ่คนออกไปว่าไอ้จ <Creating Olha. S 1> <ml> ับทั้งสองขางย่างยางไปไอ้กูเลียงบอกว่าซอยผมแน่ซอยผมแน่วทหารจับผมมาสั่นไอ้หมอหมอผู้นั้นย่างเซยนออไปบ่้ยินผีได้ว่านออไปมันผีไปบอกขุนข้อนจะได้งยินงยังไงมันหมดอ่ะภาษาผีเนี่ยซอยผมแน่ซอยผมแน่วทหารจับผมมาสั่นไอ้แต่ว่าโกูเลียงไอ้เห็นมันออกไป เห็นหมอยานะ่เน่ยหมอยาญ่ชาวบ้านเนะ่ะหมอยาเนะี่ยบ่ได้สนใจวะแล่นไปไปหาไอ้มองเขาว่าโกเลี้ยงเป็นล้มคนนะั้บ้านนี้เขาก็จับไปวะนะพ่อจับจับจับไปกิดทั้งล้งห่วยลงคลองไปเลยนะไปทหารหนุ่มจับแขนทั้งสองขากนะ็พอไปฮอดสนามย า, านะไปอไปหาพบมูพบเพื่อนท่านเนะี่ยมีอย่างเดียวค่อยๆฟังเนะเขาจีประกาศดอกกันไงนะโกเลี้ยงนี่ก็ไปแหละไปมันหิวเขาหิวน้านวําแล้วนะไป ไปไปเห็นเห็นท่ายกวัดท่ายกวัด ก, ดกดนนไ็ไอหูจักส่วนไปบันทิงก็ได้แต่ว่าตัวเองบ่นเทิงทับบุญหัวไปไปไปเห็นเขานั่งหล่อมโต๊ะอยู่ไปกันแลยไปคุยกันโอ้กูเลี้ยงกระ마ติวสันเขาว่าเออมาขาับพากระมาหอดว่าไงกูเลี้ยงกระหูกจักแล้วโอ้ตายท่ายกคนนี้เข้หาหาก็ไปเผาศพเขาเหมือนชีหามือนี่เองว่าไงน อไม่ไปเอาศพสี่ห้าวันนี่เองว่าจะเนี่ยมันเท่านี่ตายในตัวบัตรนี่ว่าจะเนีย่ยังมาเห็นเขาเนี่ยจะเนีเขินว่าจะของตายในบัตรเอ้อมาเนี่ก็เลยเข้าไปเห็นเขานั่งอ้อมผ้าเขาอยู่หัวในโต๊ะนั่งไปอาหารการบริโภคเต็มโต๊ะหัวนั่งไปมีน้ำมีอย่างพอโกเูเลี้ยงนี่ก็บอกว่าโอ้วะวะหิวเหลือเกินเหือนวะขอทานอาหารด้วยด้วยเธอหน่อจะเนี่ยกูเลี้ยงบ่า ทางพวกนั้นเขาก็ตอบว่าถ้ายกนักนเขาบอกโอ้อันนี้มันมันว่เป hmm? SI ็นเมือมนุษย์เลยกูเหลียงวะแ่นอันนี้เป็นเมืองผีวะแต่เนี้เออเป็นเมืองอีกพบนึงอีกขั้นโบราณบระดธรรมบุญไวในอดีตจะไปเป็นขันละวัดเนี่ยมันบไรเด้วะแต่เนี้ไรเลยเออกะว่าว่ากันวะแต่เน้กจะกินก็กินได้เนี่ยกินแม่วะ่เนี้ยกินนดะ่เนบอบหวบหามได้ว่เนี้พอมที่จะให้กินแต่มันกินวัไรได้แต่เ้ของไผ่ของมันเด้มา เออปลาโลกแล้ววันไนทางกูเลี้ยงโอ้ยตีไงก็บอ้วกขอเก่งโดยเธออ้วกหิวระเกินวันไหนบารนี่ยกัไปจับน้ำก่อน่งวจะกินน้าสะกน่งพ่อจับะโอ้ยพ่อจับพ่อปันจับขี่ทันไฟก่อนหน่งไปจับทานไฟแดงๆ่นาดโอกยว้าวฟ่างเมื่อแล้วน่ไปบารนี่ยก็ไปเห็นไปเห็นถัวยอกบารเนี่ยโอ้ยขอเก่งเออถั่วเออแล้ววันไหนพ่อไปจับถ้วยอกถั่วยอกอนใหม่มืออีกบาเนี่ย เออโกเลี้ยงนี่ก็ได้โอ้กินบมไนอะไรเนี่ยเขาพอหนัเขาก็เลยว่านั่นเนเอยของเจ้าไปเบิร์นัู่นั่นนะอันนั้นเป็นเป็นของเจ้าะโกเลี้ยงก็เลยไปอะไรเนี่ยพ่อไปไปเห็นแต่กระดาษเงื้อกระดาษท่องอ้ยาโยะสันโอ้อันนี้ก็กิ่นโมไนแล้วอะไรเนี่อโกเลียงว่าเออโกเลี้ยงก็เลยกลับมาอพอที่กลับมาหอดเขาก็เอื่อว่าเนายโกเลี้ยงขึ้นมา อ, อได้เวลาแล้วกูเลี้ยงกับเขาก็ทหารสองคนปับ๊บเข้ามาเกาะแขนเลยเด็กเกาะแขนขึ้นไปหาพญา ย, ม พ, ย, ายมพญายมพบานเพ้อโอ้ไปไปหายมพบานมันโมนเป็นธรรมดาโ ม, เ ป, รร ม, ามเป็นพิพากษาธรรมดาเออนั่งขํามม้ามยุกบานเลยเออหนวดเฟื่อยต่างหากก็จะไปจนเลี้ยวเบื้องหน้าอะไรกันออกไปพอไปหอดพ่อไปห อ, อดหอต้องก้มหน้าเลยวลันไปเอาย่านย่านพญายมออกไป ว่าถ้าแล้วก็เลยเขาก็เลยบอกว่าอมาน๊อันเนถามมันตามเออไปงโกเลี้ยงมาสันเนยไปจากไหว่าจากไหนเนี่ยมาสันเพิ่ก็เปิดแฟมแล้ววนไปเปิดแฟมปบปบปบปปเอะชื่อว่าง่ายมาันเนยนายโกเลี้ยงก็บอกว่าผมซื้อจังงี่ครับพญายมพบานบอกว่าฮะสันเเอาคนผิดแล้วเนี่ยเฮียถามไปอีกฮะไม่ได้เนี่ยาเอาคนผิดสัน เอาไปส่งเดียวนี้วะสันพยายมวาวน่ยไปพวกทหารหนูพ่อพยายมสั่งท่านเอาคนม้าพิดแล้วว่าันนี้จบทับกอดขี่แต่แลได้สองคางก็ผ้าไปเลยแล้วบาทเนี่ยผ้ากับมหาหล่างของตัวเหลียงมันไปโกเหลียงวัไปตุปักตุเปยทุลักทุเล่แบบทั้งแรงทั้งยางวันไปเอาไว้ๆพ่อม่เห็นนบาทเนี่ยโกเหลียงว่ามันเป็นทะเลทรายวันะ เออมันกะกลางทงหน้าเนี่แหละเป็นทะเลทรายบ้านในเห็นโค้งควายกันไปควายตัวนึงมันตายอยู่ในทะเลทรายนะเออมันไปติด ก, กระดูกสีกักซากกันออไปมันมีหนังปะเนี่ยหนังท่างไตมันมันมีอยู่แล้วน้ำ ม, มันมันน้ำ ม, มันขังอยู่ในหนังนะหนังควายข้างใตนะโกเลียงเห็นโอ้ยผมหิวน้ำลายลสันยังไงก็เห้ผมขอกินน้าก้อนเธอเนี่ยไปใส่โคตไปสันโกเลียงว่ะฮะกินน้าแล้วสันทหารสองโคตรด่ เกาะขีตาแล้มันก็เลยพักอ๋อตู้เหลียงเลยวันออกไปตู้เหลียงก็มุดลงไปในในโค้งควายเอาเนาะไปเอ่ยงโค่นในโค้งควายเมิดติงๆบาดเนี่ยกูอยู่ใสเนี่ยจาเน่ยบาดท้าแล้วพ่อนี่ยก็หายไปเลยวันออกไปโกเลียงเนี่ก็เม็ดยรถยนต์บาดท้าแล้วมันบอกเปนโค้งควายนมันเขาโค้งกระดูกจุกของเใ็่ได้บาดเนี่อโกเลียงตายแตงแต่ต่อนใบหมื่ว่านเนี่ยวัไป ตอน เ, เนี้ยมือเศร้านี่ยพระกรสันจังหันมาเลี้ยงพระเนี้ยมือเศร้านะไปพอเลี้ยงพระเซเรียบลอยพระกัให้สินให้พ่อนนะ่ะพระกรกลับวัดพ่อสะกรับวัดนน่ะแหละพวกญาติพี่น้องกำลังสะเลี้ยงกันวันไปพ่อสิเลี้ยงกั น, น, เ, ก น, ก น, น, นเนี่ยตอนใบเนี่ยเขาบอกโอ๊ะกูเลี้ยงมันยังอ่อนอยู่ท่านนี่สมัยนันเขาก็บ่มียายาโฟมาลินมมนี่เมนบละเขาก็บริสิทธิยาเออเขาก็เห็นกูเลี้ยงยังอ่อนอยู่เขาก็เลยเอาผ่าขาวห้องเลยก็มัดตาสังนะมัดแข้ง แล้วก็มัดแขนนบเมื่อไใส่ดอกไม่พ่อมันออกไปอบานแล้วเขาก็เอาผ่าเขาก็บวปิดหมนเลยเขาไปตีฝาโล่งเอาเมื่อเอาผ่าขาปิดก่อนแล้วผ่าขาวห้องก็ปิดปิดโล่งไว้บ้านอะไรก็กลัเลี้ยงฟื้นขึ้นมาจะแล้วบ้านเนี่ยพ่อฟื้นขึ้นมากเ ก, กิดเกิดยังไดบน้านอายุทั้งนั้นห้องห้องบะไรมันมันบ่มีเสียงแเรวหน่อปเห็นแต่เอาสอกแล้วกระทุ่งขังโล่งมันไปกระทุ่งตกๆๆคนนั้ ไอ้พวกขี่เราทั้งหลายเลยกรับร่างที่กินเขาวห้อยเฮียนไปนี่ติดกัวเลี้ยงก็ใส่ต่างคนต่างโดดจนทัวบ้านในย่านผีหลอกกังเวทวนไปเออโดดออกไผโดดออกมันวนูไปเออตัวร์เลี้ยนได้เลยใจังว่าความร่างใดหลายๆก็ทขออีกตึกตึกตึกตึกวนูไปบ้านถ้าแล้ห้อยเป็นเป็นอย่างว่าแต่นี่ยบาดในมีโยมคนวัดคนว่าผู้เคยมาวัดห้อย บ่แมนโกเลียงมันฝืดขึ้นมากบ่ท่านเ่ยไปเบื้องก่อนเข้าที่ไปหายาติอย่างเงีไปเข้าทิ่ภาเขาท่านบาดทแล้วกับพูดเถ่านาะไปท่ายกวัดกันไปเป็นผูกแข็งใจผ้ามืแต่เถ่าก็ญาติขึ้นกันนะไอ้พวกเนี่ก็บญาติญาติมูวแลนนี้ขึ้นกันพ้นไปเอาไปว่าเข้าก็เห็นบ่อยสมัยเด็กน่อยเล่นงูกินหางนะเพชรชันเหรอพ้นไปจองเอวกันเหี้ยียดเลืพอนอไปงูกินหางนะพูดในหัวนากระซองซององซองเอาไป ไปเปิดเข้าไปเนียังโกเลี้ยงเน่ยอาปากพา ง, งาบขะงาบไ ป, ไ ป, ไปออมันจะห่อนก็ห้องไไอ่ไรของอาปากพา ง, งาบโอ้โกเลี้ยงฟื้นแล้วก็เลยจับโยกขื่นมาพอโยกขื่นมาเลยหามีดมาตัดตาสังน่ยมัดแข้งมัดแขนเนี่ยเป็นญาตผีแลนได้สมัยก่อนเป็นัวละ่ะมัดตาสังไปมาเลยก็มัดตัดเสือกพ่อมัดตัดเสือกเลยจับนั่งขึ้นมานั่งมาเ น, นี่ยพ่อนั่งขึ้นมาได้กับ ไปเอาน้าเ ม, มาเลต้มนำอุ่นมาพอ่อ่นใส่สัสมรี่เอาน้าไปหยอดคาปากหยอดคาปากโกเลียงบอกว่าพ่อน้าหอดข้อนั่นน่ะเออพ่อน้าหอดข้อรู้สึกมีแห้งเห่วเ <c ười> มือนตาเมาเลยวันนันปนออโกเลียงมือนตา เ, เป็นไงวานน้ยังปากโป อ, อ่ะนี่ น, นีไปต้มเขาอีกต้มเขามากกกอกเขาปากอีกเมื่อเขาไปเกือบถวยวันนั้ไปพาะภูเขามัน มันโบ ท, ai, นท่านมีอีอย่างเนี้ยมันยังแข็งแรงอยู่เนี้มันมีแต่พยายมกไปซื้อวันอะไรพอในทุก็เลยว่าวไรบ่เนพอว้าวปับปับปบเนเราไปบอกออกเสียงมันเฝ้ากันออกไปมิจังว่าแ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเฝ้าถามจเฝ้าถามว่าแ่เดี๋ยวสีเบ้าทีเดียวรดอกว่า่นีสิเฝ้าหอยฟางเนี่สีเฝ้าหอยฟางว่าแต่ไปเห็นจังไดนว่าแ่นบาดาแล้วก็เลยฝนก็ได้ไปว่าเออ ไปไปไปมาัน่านบารม์อีกมือสองมือเน่ามือมืออื้นอนเน่ญญาฉันเลยสีวาให้ฟังบารเนี่ยมือหอดมือหนัดมากับพวกชาวบ้านพ่นกันล่มมาแล้วนะไปโกเลี้ยงบอกว่าโอ้ยฉันมือ่อเป็นล่มไปเท่านั้นทหารมาเกาะว่มากกอดแขนสองแขนผ้าไปเรื่อยวะฉันเพ่อไปแล้วก็บเฮ็ดยังไงฉันไปหอดสนนน้ำยาอย่างที่ว่า น, นั่นนะอ่พ่อไปหอดสันน้ำยาแลยกั ว่าเขาเอื่อนซื้อผิดว่าสันนเออเอื่อนซื้อผิดรเขาก็ได้นั่มาส่งว่าันมาส่งเขาก็หมดยัดหัวกบโค้งก็ดูกควายแล้วันเออจะมันโค้งกระดูกควายคือโค้งกระดูกเจ้าของนแมนบวโอวินญาตเข่าล่างมันออกไปเออจากได้ฟื้นขึ้นมาแล้วสันโอ้บาปปนคุณโทษนี่มีอีรีได้ว่าสันนรกสวรรค์นี่เห็นคักได้วรันเออขั้นโปรยโไรยทำบุญอย่างไยหนาได้หรอะันปะโลกไพ่ภาคนาเนี่ย รักกันก็รักบู้ใโกงกันก็โกงบู้ส้นขอกันกินเขาไู้ใดผู้ใดทําบุญอะไใดผู้นั้นจะได้รับบุญอนันตผมผู้ใดทําบุญไหวไปขอกินเขาเขเขาเขาก็ให้กินยุกเส่นหูจักกันดูแต่ไปจับมันมันบวมเนของเจ้าของมันห่อนเพรปั่นไฟนพราะปั่นจับทานไฟเ้นโกเลียงบาเพราะนั้นให้ทําบุญทําท่านผู้ใดผู้นัตายแล้วบ๊บศูนยสนบาท่าะโกเลียงกันด้ โอ้ในพันศานี่ยอ้วจะบวกกับเราสันนัยโอ้จะขอบวกสกองสันนัยบ้าเลยรตะแก่เลี้ยงหมูเด้เลี้ยงหมูไปขายเอาไปเป็นผู้รับเหมาพรมเจ๊กขยันเด้คนจีนขยันสมัยนั้นมาจากเมืองจีนเลี้ยงหมูพรอมรับเหมาก่อสร้างพรอมนะเป็นตะแกว่เอาไปมากโอ้ถ้าเจ้าเอาหมูให้เขาเนี่ยเขาก็จะไปขายอีกว่าแต่บาท่าแล้วก็ยม่มันคลืนมากดึกๆ ด, ก, ดกมากได้กัน ปอยหมูเด็กก็ไล่แล้วแล้วถ้ามึงจะไปแล้หมูได้อท่านเนี่ยกูไม่ได้มอบไผ่ได้วหรอท่านเอาชีวิตไผ่ชีวิตมันได้เหรอท่านกูเลี้ยงมึงแล้วตั้งตัวตั้งไปได้เหรอท่นกูเลี้ยงก็เลยปลอยหมูลงไปเออแล้วจามันจะไปแล้วหมูวันน่งลไปถือคาถือแกงกับกำของหมูแล้วมันไปเพรามันกำของกูเลี้ยงวันหน่งไปกูเลี้ยงบม่ได้ขายได้บาดนี้ว่านเนี่ยกูเลี้ยงยันบ่าพอนไปเออนี่แหละบาดอะไรกูเลี้ยงก็เลยบวดเออก็เลยได้บวดอันนี้ก็คือ มี่เขาเขียนมาไ ว, ว้กันออกไปคือลูกจิตเจ้าคุณอุบาลีคุณโอปามาจาร์เจ้าคุณอุบาลีแต่คือเป็นหมูของหลวงปู่หมันเท่านั่นแหละแต่เพิ่นเรตเป็นเจ้าคุณมันไปนี่แหละอันนี้เว่าให้คณะชาติไทยญาติโยมฟังนะที่หลวงพอบอกว่าถ้าบุญในยังไหวได้กินอ น, นันได้รับผลอันแบบนั้นเนี่นะมันมิเป็นมาจังซี่ได้อันนี้ผู้ใดท้ากรรมดีไปกรรมดีก็จะให้ผลไปขันผู้ใดท้ากรรมดีกรรมดีก็จะให้ผลน่ะ แต่นี่ยังดีได้อยังดีได้อโกเลียงเนี่ยย้ำ่าท่านอะไรตัดสินมันออกไปขั้นโดนโดนตัดสินเอาไว้ จ, จะเจ็ไปใส่เขบุงหงาเราเนี่ไปทิทิทเมนไปไล่ใดมันออกไปขันเป็นปยายมตัดสินอันนี้ยังว่าท่านตัดสินเอาคนมาผิดมันออไปทรงกับขึ้นก่อนเพระาท่านถึงข้าวนออไปนี่แหละถ้ามันตัดสินอีกแบบเผานึงหมาเผาหนึ่งเขาตัดสินเนี่อพอไปหอดแล้วก็ขึ้นไปหาพยานย่อมไปหาพยายมอมยังดีเราเนี่ยไะ พอไปหอดพยายมบุญบาทนี่พนไปเคียดทพยายมอีกได้บาทนี่เออพอเห็นพยายมขึ้นว่าท่านพยายมพนว่าเอาผมมาได้จังไหนเอามา้าแบบบอกบอกปาาวเลยนี่เอามาแบบนี่แปลว่าเออบอขรรพบิดจึงกันและกันเลยตามไม่จริงไปบอกผมน่าจะน่าจะเมื่อไปเอาผมมาเน่ยผมก็ต้องบอกผมล่วงหน้าไปก่อนที่พราะอไปพิณให้กำของผมล่ะผมไม่ได้สั่งเสียอย่างเลยกระปลูกกับปลัน เอามาแบบนี้จะเอามาแบบไรแปบลบว่าบวาให้ควา ม, มบวชให้สิทธิ์ผมเลยตามไม่จริงนาจะบอกผมก่อนนะเออสิไปเลยนะจิมาเอาแล้วนะอา่าต้องบอกผมอันนี้ท่านมาเอาแบบจะ บ, บอกบอกกล่าวผมเลยเอาแบบนี้ผมว่าบาเป็นธรรมนะท่านพญายมนะพญายมมีอำนาจเต็มในมันบอกเปิดกระตบตัวเปี้ย ง, งอย่าพูดอย่างนี้นะอาจารยอันนี้คือปัโลกนะอาจา่ยต้องพูดอะไต้องระวังอันนี้พูดอย่างนี้ได้ยังไง ต้องพูดเองเขาเตือนไม่รู้ว่ากี่ครั้งเขาเตือนแต่แกนะแต่แกไม่ฟังเองดื้อด้านเองแอบพญ ย, ยมวะเท่านั้นก็อายุหกสิบเจ็ดสิบปีเลยนะเจ็ดสิบปีผมไม่ได้เยินครับพ้นมาที่ท่านมาเตือนเตือนนั่นนะผมไม่ได้รู้เลยว่าท่านเตือนที่ไหนไม่รู้เหรออออายุเท่าไหร่ฟันฟันของคุณหลุ่อายุเท่าไหร่ประมาณห้าสิบครับพ้นมานั่นแหละ จดหมายฉบับที่หนึ่งมัแสดงพันว่าพยายมยมเตือนเลยจดหมายฉบับที่หนึ่งเตือนแล้วแล้วผมขาวล่ะผมหงอกล่ะเริ่มผมหงอกเวลาเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ประมาณสี่สิบกว่ากว่าครับนั่นแหละจดหมายฉบับที่สองมาแสดงพันวาเออแล้วใส่แว่นล่ะใส่แว่นตาเมื่ออายุเท่าไหร่ประมาณห้าสิบกว่ากว่าครับทําไมจึงใส่เบิ้งโทรทัศน์ระชัดครับ น, นั่นแหละจดหมายฉบับที่สามมาแสดง แปลว่าพระยมยมเนี่เตือนตลอดวันออกไปแต่เฮ้าเนี่ดันทุลักงอไปบาดเนี่ยขั้นพอดีผมงอกเอาสีมายอม่อปซะมันดำขึ้นวันออกไปขั้นฟันลวดพอดไปหาไปหาหมอฟันไปเห็ดฟันไส้หม้วันออกไปเออาานี่ยพอดบอกว่าเขาบอเตือนเจ้าของวันออกไปพระยมยมวันเตือนเป็นระยะระย ะ, ะ, ยะอาจารย์หนังเหี่ยวหนังยน่นล้วนแล้วจะเตือนทั้งวัดอันนี้นคือความแก่นะเกิดว่าล้วคุณต้องแก่นะแก่แล้วก็ต้องเจ็บเจ็บแล้วก็ต้องตาย ทำไม่เจอวับวบัวเตือนเ อ, าเ อ, าอ้าเออตือนได้มาสิเนี่ยเตือนแล้วไม่ฟังไปทหารเอาไปลงเออตามกรรมของตะแก่เนี่ยตาลุงเนี่ยได้ทําเอาไว้ไปจัดการตามหน้าที่มาสเิเนี่ยทหารก็ขี่ตะแล่ได้กับผ้าไปแล้วหน่อยจะไมนไปน่าล ก, กหลุมใดก็โบหูเราหน่อไปเผาก็บบบอกกาวอีกมาฮันเล็กน้อยบักนึงบเหันี่อายุยี่สิบกว่าปีกอสออยู่ไปยุ่ในหลังเท่าเน่ย ฟังพญายมบอกมัดคู่คู่ความันอะไรอย่างงี้มัดคู่ความที่พยายมบอกกับผู้เฒ่านั่นไปบอกกับคุณลุงแต่ในพญ่์ยยหมอนี่ก็บอกว่าท่านท่านครับท่านพยายมครับที่ท่านเตือนคนแก่นี่ใช่ครับท่านมีจดหมายไปบอกแต่ผมเน่ยังไม่มีครับจดหมายจะมาบอกผมอย่างนั้นเพราะผมอายุเพียงยี่สบกว่าปีครับก็เอาผมมาแล้ววาารย์เ อไม่ได้บอกผมเลยนมภาษเสนือพญโยมว่าการเตือนไม่ใช่เตือนอย่างเดียวนะมีวิธีการเตือนหลายอย่างเพื่อนของแกอายุท่าไหร่ที่ตายวนะันชื่อใดนั้นนะ่ะเป็นเพื่อนกันครับอายุเพียงยี่สิบเอ็ดปีครับอา้าวทาไมเขาตายเขาเป็นไตาวายครับนั่นแหละทําไมเธอไม่คิดว่าขนาดเพื่อนอายุรุนราวคราวเดียวกันก็นยังตายทําไมไม่คิดถึงความตายของตนเองบ้าง ทำไมไม่สังสมคุณงามความดีเข้าหาตัวเองบ้างแสดงว่าไม่เชื่อฟังไม่ได้สังเกตไม่ได้คิดขนาดเพื่อนตายต่อหน้าแท้ๆก็ยังไม่เอามาเป็นตัวอย่างเอาเถอะมันยังนมอยู่ยังไม่ได้ทำบาปกรรมอะไรมากไปไปหาเกิดพญ ย, ยมเรื่องอะไรมาเกิดวะหนูพุนี่นั่นแหละอันนี้ให้พวกเขาพวกเขานงางโยนี่เด้บาตรนี่พญายมเตือนอยางแล้ววันออกไปเบิงบ้งเบิ้งเจ้าของเน้อนีเน้อ เดี๋ยวฉันยังหารแล้วหลวงพ่อจะมีหน้าแจกนะแจกหนังสือเอ็มพสแล้วหลวงพ่อยจะบอกยังไงฟังอันนี้เพียงสตาร์ันนี้นะ <c oughs> <c oughs> นสตาร์ตเป็นแนวความคิดให้พวกเข้าเมื่อพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเรียบร้อยแล้วนะให้พวกเข้าลงไปท่านอาหารท่านอาหารเสร็จแล้วจงคอยขึ้นมากหลวงพ่อยจะบอกยังไงฟังอีกทีหนึงแลังจากนั้นจะแจกหนังสือเอ็พสเพื่อเป็นที่ระลึกนะเอารับพ่อนะ